ทางทางน้นมานั่งต่อทางนี้ไปกลับนมัมศการหลวงพ่อค่ะวันนี้คณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อซึ่งได้ไปพัฒนาตนเองโดยการฝึกฝนสติสมาธิจนสามารถจเจริญปัญญาได้ในระดับหนึ่งบางคนได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองมาเป็นเวลาสองปีบางคนก็หนึ่งปีค่ะบางคนก็ ประมาณครึ่งปีวันนี้ขอมากราบเรียนเพื่อถวายผลการปฏิบัติต่อหลวงพ่อเพื่อหลวงพ่อจะได้เมตตาให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติที่งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นค่ะและขออนุญาตได้ถวายของและกราบขอขอมาในที่นี้ด้วยค่ ะ, ะถวายกันก่อนกันแล้วค่ะ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 สับพังอประราทังขมามะทุโนพันเตรัตนตัตเตเยปะมาเทนะทวารัตเนเยนกตะตังสับพังอประราทังขมามะทุโนพันเตรัตนตัตเตเยปะมาเทนะ ทวารัตเเยนักตังัพพังอประราทางขามะทุโนพันเตหากข้าพระเจ้าทั้งหลาย ไ, ได้เคยประมาท พ, พลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยและท่านผู้ทรงคุณความดีทั้งหลาย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พรหมเทพพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาต่อพระรัตนตรยัยและท่านผู้ทรงคุณความดีทั้งหลายเหล่านั้นขอได้โปรโดอดโทษแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสำรวมระหว่างในการต่อไปเอวังโหตุเอวังโฮตุโยเจปุเพพมาชิตวาปัชชาโซณัปปัชติ โสมังโลกังปพาเซติอาภามุตโตวจันติมายัสสะป่าปังกตังกา ม, มังกุสเลนปะปิเฮติโสมังโลกังปพาเซติอาภามุตโตวจันติมาอภิวาฒนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลัง หลวงพ่อประเมินผลผู้ช่วยสอนจากลูกศิษย์มีบางคนก็ถกถอดออกไปลูกศิษย์เรียนแล้วแย่ลงก็ไม่ให้สอนนี่จุดสำคัญนะมันมีธรรมะอยู่สองอันอันหนึ่งคือกัลยาณมิตรพวกเรา ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้เราต้องมีกาลยานมิตรคือครูบาอาจารย์ในสมัยพุทธกาลกาลยานมิตรเลือกง่ายพระพุทธเจ้าเป็นกรลยานมิตรพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้ารับรองไว้เป็นกรลยานมิตร ยุคนี้ลำบากนะไม่รู้ใครเป็นกระยาณิามิตหรือไม่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เราได้นะครูบาอาจารย์บางทีเป็นปุถุชนนะสามารถสอนลูกศิษย์บารู้มากผลได้นี่หลวงู่เทศเคยบอกหลวงพ่อไวนะ้เหมือนที่ท่านบอกเหมือนคนที่เป็นหมอหมอไม่สบายซะเองนะแต่ก็รักษาคนอื่นได้ท่านว่าอย่างนี้ นี่จุดสำคัญเราแยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นกัลยาณมิตรที่รู้แจ้งเห็นจริงหรือว่าจดจำคมสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดต่อจุดสำคัญก็คือเมื่อเราฟังครูบาอาจารย์หรือว่าอ่านหนังสือธรรมะอะไรเท่าแล้วแต่เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องมีสติมีสมาธิสองอันนี้เราถึงเจริญปัญญาได้กรรยานามิตรจะช่วยบอกเราว่าจะปฏิบัติอย่างไรส่วนเราจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเราต้องกำกับตัวเองโดยโยนิโสมนสิการแยบขายในการสังเกตตัวเองจะมาพึ่งครูบาอาจาร ตลอดเวลาไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองให้มากครูบาอจารย์บอกทางให้เราได้เท่านั้นเองขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราที่จะเดินในเส้นทางของท่านเนี่ยเราต้องมีโยนิโสมนสิการแยบคลายในการสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอยู่ในรู่ทางที่พระพุทธเจ้าและที่ครูบาอาจารย์บอกหรือเปล่า ถ้าไม่มีโยนิโสมานสาิกาสัอย่างเดียวเนะี่ยไม่มีทางสำเร็จการปฏิบัติใดๆเลยนะ ท, ที่ดีงามถ้ามีใครเขาถามเราว่าอะไรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเป็นเหตุใกล้ให้กุศลทั้งหลายเกิดกุศลก็คืออารโลภาโทซาโมหะโมหะตัวสูงสุดก็คือตัววิชา ลาอาวิชาได้อะไรทำให้อโลพาอาโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอะไรที่ทำให้โลพาโทสะโมหะที่มีอยู่ดับไปคำตอบคือโยนิโสมนาสิการโยนิโสมนาสิการเป็นเหตุใกล้ให้กุศลทั้งหลายเกิดขึ้นงั้นปฏิบัติโง่โง่ซื้อบือ้อไม่ได้กีนอก ยิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งแรงโมหายิ่งมากงั้นการนั่งสมาธิมากเดินจงกลมมากเลยทําหามลุ่มหามขําไม่แน่ว่าจะดีถ้าจิตเราเดินอยู่ในร่องรอยที่ถูกเรามีศีลเรามีสติเรามีสมาธิเราจะเดินปัญญาเป็นเราตรวจสอบตัวเองได้ว่าเราถือศีลได้ดีหรื อ, อยังสติของเราพัฒนาขึ้นมาหรื อ, อยัง สมาธิของเราถูกต้องหรือยังการเจริญปัญญาของเราเนี่ยอยู่ในรูปทางที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์สอนหรือยังตัวที่ช่วยเราตรวจสอบตัวนี้แหละที่เรียกว่าโยนิโสมนัสิกานวัดตัวเองให้ได้พวกเราถือศีลได้ดียังรู้ไม่ศีลที่ดีถือได้ยังไงมีสติรักษาจิตอันเดียวเท่านั้นเอง กิเอะไรเกิดขึ้นที่จิตมีสตริรู้ทันเข้าไปนะสีนของเราจะเกิดขึ้นอัตโนมัติมีสตริรู้เท่าทันนิวร น, นิวรเป็นศัตรูของสมาธิโดยเฉพาะตัวความฟุ้งซ่านดูทัดจักเป็นหัวโจกเลยของนิวรณ์ถ้าเรารู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านจิตมันหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นไก่ทางใจหนีไปคิดมีสตริรู้ทันนิวรจะดับ เรารู้ว่าจิตหลงจิตหลงเรารู้หลงเรารู้เนี่ยทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดใช่ไหมอาศัยสติอาศัยสติรู้เท่าทานันจิตใจในกิเลสไรเกิด Latin, รู้ทันไปสีจะเกิดอาศัยสติรู้เท่าทันนิวรณ์โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านรู้เท่าทันแล้วสมาธิจะเกิดอาศัยสติรู้ทนันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจ จิตเป็นคนดูไม่มีนิวร์ปัญญาจะเกิดเงื่อนไขสำคัญของตัวปัญญานะเหตุใกล้ของตัวปัญญาคือสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องหลวงพ่อพูดออกมาภาษาง่ายๆคือไม่เผลอกัอไม่เพ่งเผลออยู่ใช่ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิเพ่งอยู่ก็เป็นมิจฉาสมาธิให้เราเรียน ให้ได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องบอกแล้วว่ารู้ทันนิวรณ์เข้าไปเดียพอรู้ทันจิตที่หลงนั่นแหละเนื้อสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นเองพอเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วอาศัยสติอีกเลยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างขณะ น, นี้ร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมแค่รู้สึกไม่ใช่บังคับร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหม กำลังหายใจอยู่รู้สึกไหมถ้าใจลอยก็ไม่รู้สึกถ้าเพ่งรู้สึกอยู่แต่เพ่งจิตซื่อบือ้ออันนั้นไม่มีสมาธิมีสติแต่ขาดสมาธิที่ดีอันนั้นช่วยใชยไม่ได้อย่างไปดูท้องฟองยุบนะเพ่งท้องจิตนิ่งๆอยู่กท้องมีสติดูท้องอยู่แต่สมาธิมันไม่ถูกปัญญาตัวจริงจะไม่เกิด ดงนั้นองคธรรมสำคัญนะสติกับสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเกิดจากอาศัยสติรู้ทันจิตที่หลงนั่นแหละสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดเองนี่พอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยมีสติ ด, ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปใช้เวลาไม่นานนะพระพุทธเจ้าบอกทำสติปัฏฐานถูกต้องนะบางคนก็เจ็ดปี ได้พระนาคาหรือพระอรหันต์บางคนหปีห้าปีสามปีปีเดียวได้พระนาคาหรือพระอรหันต์บางคนไม่ถึงปีได้เจเดือนสามเดือนเดือนเดียวได้พระนาคาหรือพระอรหันต์บางคนเจ็ดวันสามวันวันเดียวได้พระนาคาหรือพระอรหันต์ที่ทําได้เพราะทําถูกทําถูกแล้วทาต่อเนื่องไป อินสีแก่กล้าเขาใช้เวลาสั้นๆยินรีแม่แก่กล้าเขาใช้เวลายาวหน่อยหลวงพ่อเคยถามครูบาอจารย์องค์หนึ่งว่าคนที่เริ่มใหม่ๆแต่รู้วิธีได้เรียนวิธีปฏิบัติจากครูบาอจารย์อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยคนที่เริ่มชาติแรกเลยเนียใช้เวลานานไหมเราได้ยินเรื่องเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันอะไรมาเ ไ, ไปถามหลวงพ่อกิม เลวพ่อ ก, กินเป็นปาอาพิญยามีริเดเยอะท่าบอกไม่นานหรอกประโมทไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติไม่นานนะเราเกินนับชาติไม่ท้วนพวกเราสนใจการปฏิบัติเนี่ยคงไม่ใช่ชาติที่หนึ่งหรอกนในเจ็ดชาติเนี่ยก็ควรจะได้ธรรมะถ้ายินสีเราแก่กล้าจริงๆนะเราก็ได้เร็วหน่อย พวกเราคนไหนตอนเด็กๆ เ, เคยตื่นรู้สึกตัวขึ้นมามีไหม ย, ยกมือคือจิตมันตื่นฟโลงขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อตอนสิบขวบอะไฟไหม้ข้างบ้านตกใจวิ่งเลยบอกพ่อก้าวที่หนึ่งไม่รู้สึกก้าวที่สองไม่รู้สึกก้าวที 3, นะ่สามเนี่ยสติมองเห็นความตกใจทำตกใจขาดสะบั้นเลยนะจิตเด่นดวงเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลย สภาวะอย่างนี้ใครใค ร, ใครเคยเป็นตอนเด็กๆยกมือซิวู้วนี้ไม่ใช่ชาติแรกต้องทำมาเราอย่างโชกชนมมีโอกาสที่จะต่อยอดไปถ้าต่อยอดถูกนะต่อยอดผิดมันก็ไม่ได้กินออกอย่างบางคนมันมีเวรกรรมมีเวรกรรมนะท่านามาดีๆอนะไรเนี่ยถึงตอนสุดท้ายนะจะตุวปัดตุเปออกไปมีกรรม กรรมเนี่ยบางทีเกิดจากเคยไปสอนกรรมฐานผิดผิดให้คนอื่นเขา้าดังนั้นไอ้พวกอยากสอนอยากสอนเนี่ยระวังตัวให้ดีอย่าไปอยากสอนใจคันยิ่งๆอยากจะพูดธรรมะปากคันอยากพูดธรรมะสอนเขาผิดเนี่ยมีบากแรงนะเวลาตัวเองจะภาวนาดีๆนะจิตเจะพลาดออกไปเลยนะเขาเคยทําคนนึ่นเขาพลาดมา เห็นพวกเราตอนนี้อย่าเพิ่งสอนหลวงพ่ อ, อยังไม่ได้ให้สอนก็อย่ารีบสอนสอนตัวเองก่อ น, นถ้าใครเคยสติเกิดอัตโนมัติขึ้นมาจิตตั้งมันอัตโนมัติขึ้นมาพวกนี้มีอินทรีย์ที่ดีสะสมมาพอสมควรละต่อยอดไม่ยากถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบก็คือวลาไนฟุ้งซ่านทำสมถะ วันไหนไม่ฟุ้งซ่านแล้วน ะ, จะเจริญปัญญาไปทำสมาธิน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถ้าจเจริญปัญญารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเลยหลวงพ่อแนะนำกรรมฐ า, านนั่นหนึ่งนะสำหรับนักดูจิตจิตหลงเรารู้หลงเรารู้ฝึกตัวนี้ไว้ให้เยอะเลยทำแค่เนี้ย ทำที่สุดแห่งทุกได้ในชีวิตนี้แหละแค่หลงแล้วรู้นี่แหละไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ต้องทำกรรมฐานอนไะไรพุทธวิวยเลยหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนี่จะหลงแล้วรู้ได้ดีนะให้จิตมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้หายใจเข้าพูดออกโทก็ได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตนิ่งหายใจเข้าพูดออกโทนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตเช่น จิตฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจไปจิตสงบรู้ทันหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนปั๊บมันจะรู้เคลื่อนปั๊บมันจะรู้แต่ถ้าเราไม่เห็นเลยว่าจิตมันเคลื่อนดูยังไงก็ดูไม่ออกนะก็มีวิธีช่วยไปดูใบยอย่างตอนเนี้นั่งนั่งให้สบายใจก่อนทําใจสบายๆใช้ใจปกติ เราส่งจิตไปที่ผมสิผมของตัวเองนะให้จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ผมดูออกไหมจิตไปอยู่ที่ผมถ้าดูออกแล้วก็เปลี่ยนเอาจิตไปอยู่ที่หัวแม่มือข้างขวาสิพอจิตไปอยู่ที่หัวแม่มือข้างขวาก็รู้ว่าจิตอยู่ที่หัวแม่มือข้างขวา อจิตลงไปอยู่ที่ท้องน้อยสอิรู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ท้องน้อยแล้วก็เปลี่ยนอจิตไปอยู่ที่หัวเข่าสิเข่าไหนก็ได้รู้ทันว่าจิตอยู่ที่หัวเข่านะย้ายจิตไปอยู่ที่หัวไม่ไเท้า ข้างไหนก็ได้พอจิตไปอยู่ที่หัวแม่เท้าเรารู้ทันนะพอจิตยอยู่ที่หัวแม่เท้าย้ายมาอยู่ที่หูข้างขวาย้ายมาไว้ที่หูเอาละหายใจแรงๆทีสองทีที่หลวงพ่อสอนอันนี้เป็นอุบายนะ เราดูไม่ออกว่าจิตมันวิ่งไปไหนอะไรเงี้ยให้มันวิ่งอยู่ในกายจงใจพามันวิ่งอยู่ในกายนะมันไปอยู่ที่ตรงไหนก็รู้สึกมันไปอยู่ที่ตรงไหนก็รู้สึกต่อไปมันวิ่งไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้อันนี้สำหรับคนซึ่งมองไม่ออกว่าจิตมันหนีไปแต่ถ้ามองออกก็ไม่ต้องซ้อมอย่างนี้ไม่ต้องมาฝึกอย่างนี้จิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทานเอานนี้ไปเลย พุโทโธพุโทโธพุโทโธอยูแป๊บเดียวทิ้งพุโทโธไปคิดเรื่องอื่นละรู้ทานว่าจิตลงไปคิดไปฝึกตัวนี้ให้เยอะๆนะนฝึกให้มากๆเราจะได้อะไรบ้างการที่เราเห็นสภาวะจิตเคลื่อนบ่อยๆการเห็นจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เห็นบ่อยๆนะการเห็นสภาวะบ่อยๆจะทําให้เราจําสภาวะได้แม่นยํา การจำสภาวะได้แม่นยาจะทำให้สติอัตโนมัติเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีรัสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยาเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดแั้เราหัดไล่อยู่ในกายเนี่ยจิตเคลื่อนอยู่ตรงไหนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะหรือเราอยู่กับพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปคิดกรร็รู้ทีแรกคิดตั้งนานยังไม่รู้แต่มาพอเคลื่อนปุ๊บ มันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้พอมันเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองเลยจิตจะดีดตัวให้มาตั้งมั่นสติก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดพอมีคู่แล้วสติกับสมาธิคู่แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดพอสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาสมาธิไม่ใช่สมาธิโดดๆสมาสมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอ ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิทันทีงั้นเราไปซ้อมนะซ้อมให้มากเลยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้งั้นทำกรรมฐ า, านไม้ใช่อย่างหนึง่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ได้เห็นความสุขความทุกข์ในใจเกิดขึ้นก็ได้เห็นกุศลอกุศลนะเกิดขึ้นในใจก็ได้ อะไรก็ได้ที่เป็นกรรมฐานไปดูในสติปัฏฐานแล้วเราก็มีสติรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปอย่าเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตเคลื่อนไปที่ลมรู้ทันจิตหนีลมหายใจไปไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันไปฝึกนะฝึกให้มากต่อไปพอจิตเคลื่อนปบรู้ ป, ปับเคลื่อนพรบรู้ ป, ปับสติก็เกิดเพระจิตจสาสภาวะที่เคลื่อนได้แม่น สมาธิก็เกิดเพราะเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตก็ไม่เคลื่อนตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตหลงก็ห้ามไม่ได้มันเป็นเองจิตรู้ก็รักษาไม่ได้มันเป็นเองรานั้นจิตหลงเกิดแล้วดับจิตรู้เกิดแล้วดับจิตหลงไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ จิตรู้ก็เป็นอนัตตาสั่งให้รู้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะรู้แป๊บเดียวก็หลงแล้วตัวนี้คือตัวปัญญาเพราะงั้นการที่เราเห็นจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาศีลอัตโนมัติก็จะได้ได้โดยเป็นของแถมเลยเพราะจิตเคลื่อนไปนีกิเลสมันเกิดกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสดับกิเลสไม่มีจะไม่ผิดศีล คนทำบีเซนเพราะว่ากิเลสมันลากเข้าไปแล้วไปฝึกตัวเองให้มากๆนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปถ้าทําได้อย่างนี้ก็สมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหน่อยนะตรงเนี้ยจนขั้นแตกหักนะจะข้ามวัตตาก็รวมลงมาจุดเล็กๆแค่นี้เองนะลงมาที่จิตผู้รู้นี่เองนะแล้วเราจะเห็นในจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นตัวเนี้ย จิตจะวางจิตผู้รู้เมื่อวางจิตผู้รู้แล้วชาติสิ้นแล้วพบสิ้นแล้วนะปรมาจารย์การเพื่อปฏิบัติจบแล้วจิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วแค่นี้เองถ้ามีสติมีปัญญามีพื้นฐานที่ดีอย่างนี้นะคอยรู้ทันจิตตัวเองที่เคลื่อนรู้ไปเรื่อยๆอย่าบังคับไม่ให้เคลื่อน แต่เคลื่อนเรารูนะ้แล้วก็นิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายลดซะฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าสอนนะให้มักน้อยมักน้อยก็คือมีเบสิกมีนิม่มนิดก็พอใจลนะไม่ได้ดิ้นรนหิวโหยตลอดเวลานะสันโดษสันโดษหมายถึงว่า เรายินดีพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้กระทั่งการภาวนาก็ต้องสันโดษความดีต้องขยันขยันไว้แต่ผลที่ได้สันโดษไว้พอใจมีผลอย่างนี้ก็พอใจแต่ว่าไม่หยุดนิ่งพระพุทธเจ้าจไม่ให้หยุดนิ่งในความดีต้องพัฒนาไปอีสันโดษในโลกนี่จำเป็นมากเลยยังมีผัวหลายคนมีเมียหลายคนอะไรนี้ไม่สันโดษระโมทโลภมากไม่สันโดษ มากน้อยหมายถึงว่ามีความต้องการรู้ว่าอะไรคือความจําเป็นอะไรสนองกิเลสนะสันโดษเนี่ยยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้นะไฟความวิเว่านยะในความวิเวก ร, รู้จักหาความสงบมีเวกนะกายวิเวกนะวจีคำพูดจะพูดให้น้อยนอยนะไม่ฟุ้งซ่าน จิตก็วิเวกขูปนะัิวิเวกนะปิวิเวกก็คือไม่ตามใจกิเลสนะมักน้อยสันโดษไฝ่วิเวกนะไม่คลุกคลีตัวนี้สำคัญนะยุคนี้คลุกคลีแหลกลนันต้องไม่คลุกคลีเดินด้วยตัวเองให้ได้นะภาคเพียนไปติดหมูติดคตาติดเพื่อนยังอ่อนแอมากเกินไปนะดีไหยจะเป็นคนดีได้ ขึ้นสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้แต่ไม่นิพพานในชาตินี้แน่มากน้อยสันโดษนะใยในความสงบนะกายสงบใจสงบกิเลสสงบเนะี่ยสามตัวนะไม่ครุกคลีปรารบความเพียรสอนตัวเองไปว่าเราอย่าไม่พ้นทุกข์อย่าไม่พ้นกิเลสยังต้องฝึกนะจะนอนจมตายอยู่กับกิเลสในชาตินี้อีกหรือ เรื่องอะไรต้องจมกิเลสตายอยู่แค่นี้ก็ต้องเอาตัวให้รอดให้ได้ปรารบความเพียรไปนะมีศีลมีสมาธิจเจริญปัญญาคือดูไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมอย่งจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจเจริญไตรลักษณ์แนละ้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดท้ายก็มีวิมุดนะตัวสุดท้ายเราจะมีวิมุดญาณทัศนะคือรู้ว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละ เส้นทางเดินที่เราจะต้องเดินกันถ้ายัางมักมา ก, มากนะไม่สันโดษชอบวุ่นวายนะชอบคลุกคลีขนะี้เกียจภาวนาอย่ามาพูดว่าเป็นลูกสิลุงพ่อนะ่นะไม่ใช่ลูกสิกระพุทธเจ้าด้วยนะธรรมะที่หลวงพ่อพูด10บข้อนี้นะลองไปดูไปดู Google อยู่ในเรื่องกถาวัตถุ1ิบประการ ถ้าพูดก็คุยกันเรื่องคาถาวัตถนะุคิดก็คิดเรื่องคาถาวัตถุปฏิบัติก็ปฏิบัติคาถาวัตถุสิทธิปการเนี่ยมักน้อยสันโดษนะ่ะไฟความสงบกายสงบนะจิตสงบคือสมาธิกิเลสสงบนะอันนี้เรียกอุปถิวิเบกไม่ครุกคลีปรารบความเพียรเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแล้วก็ได้วิมุต ได้มีมุญญาณพัฒนามาทำให้ได้ในชีวิตนี้นะพวกเราหลายคนดีนะหลายคนอินทรีย์อ่อนอยู่ก็ไปพัฒนาขึ้นมาบางคนมีบุญเก่านะแต่นิสัยไม่ดีชอบพุ่นไวหลงโลกอันนี้ก็ล้าเสียเอาไว้ชาติที่ไม่มีพระพุทธศาสนาค่อยไปหลงโลกเพราะยังไงก็หลงชาตินี้เจอพระพุทธศาสนาแล้ว ถาวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าอย่าหลงโลกภาคเพียรปฏิบัติไปเอาคะแนนสูงสุดให้ได้แต้มสะสมสูงสุดให้ได้เนี่ยทำขยันภาวนาแล้วก็ขี้เกียจทาแล้วก็ขี้เกียจกี่ชาติก็ทำไม่ได้หันไปทางโน้นไม่ต้องหันมาที่นี่แล้วไม่ต้องกลาบแล้วหันไปทางคณะสงฆ์เลย